คือคนเนี่ยมันเนี่ยคนเน่ยเชื่อไหมถ้าตัวเองผิดให้อาภาัยได้เสมอไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นถ้าตัวเองทําผิดนะมันไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกมันไม่เสียหายมากหรอกถ้าคดีประหารชีวิตเนี่ยนะจำคุกตลอดชีพก็พอไม่ถึงจะต้องกระเข่นต้องฆ่ากันหรอกเนี่ยนะอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคือคือถ้าสําหรับตัวเองแล้วคนจะให้อาภาัยได้เสมอเมื่อตัวเองให้อาภายัยแก่ตัวเองได้เสมอเนี่ยพระนนเนี่ยท่านรู้ตัวว่าท่านนี่พลาดละเพราะ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 ให้ท่านมีพระชนมายุยืนเถอะไม่คนที่คนที่ควรจะอวยพรให้อายุยืนจากไปคนบอกว่าตายซะเถอะว่งงางั้นเอนะพูดแบบภาษาชาวบ้านนะว่ามาถึงอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามมาบอกได้เวลาตายแล้วว่งงางั้นนอนะสมควรที่จะตายแล้วนทีนี้คำที่ที่มาเนี่ยนะเขาอารากธนาให้พระพุทธเจ้าดับขันทัปปริณิพานเนี่ย เขาก็ฉลาดนะเขาไม่ใช่ว่าคนโง่นนะพยามานั้นเป็นเทศชั้นปรณิมิมมตะวัวัตตีเพราะฉะนั้นคำที่เขาอาราธนามันต้องมีเหตุผลเขาอ้างอิงเหตุการณ์เมื่อแรกตรัสรู้เนี่ยนะเขาอ้างอิงเอาพระพุทธพจน์เมื่อแรกตรัสรู้มายืนยันว่าได้เวลาที่พระองค์ดับขันทัปปริณิพานแล้วคือเรื่องมีอยู่ว่า ในสัปดาห์ที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ประทับนั่งโพธิบัลลังค์สัปดาห์ที่สองอนิมิสเจดีสัปดาห์ที่สามรัตนะจงกรมรัปดาห์ที่สี่รัตนคระเจดีสัปดาห์ที่ห้าอาชาปารนิโครสัปดาห์ที่หก็ที่อะไรอะไรนะาสามุจลินเนี่ยนะสัปดาห์ที่เจ็ราชายตนะสัปดาห์ที่แปกก็มาประทับที่อาชาปาลนิโครอีกครั้งหนึ่ง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 ตอบมารกล่าวกับมารในสมัยนั้นซึ่งมารได้ยกมาอ้างในตอนขณะนี้ว่าตอนนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าดูก่อนมารผู้มีบาปภิกษุผู้เป็นสาวกของเราจักยังไม่ฉลาดไม่ได้รับแนะนำยังไม่แกล้วกล้ายังไม่เป็นพหูสูตรยังไม่ทรงธรรมไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่ปฏิบัติชอบ ไม่ประพฤติตามธรมเรียนกับอาจารย์ของตนจากบอกจากแสดงจากบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทำให้ตื่นจากแสดงธรรมนี้มีปาฏิหาริย์ข่มขีปรับประวัติให้เกิดขึ้นโดยเรียบร้อยโดยสหธรรมไม่ได้เพียงใดดูก่อนมารผู้มีบาปเราจักยังไม่ปรินิพานเพียงนั้นอันนี้เหตุผลบอกว่าพราะองค์ปฏิเสธว่าไม่ยังไม่ปรินิพานต้องดูสาวกเราก่อน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 เหมือนอย่างว่ายังไม่ได้รับเนยยะจากพระพุทธเจ้าท่านก็ยังไม่แกล้งกล้ากับคาสอนท่านยังไม่เป็นประหูสูตรยังไม่ส่งพระไตรปิฎกยังไม่ส่งพระไตรปิฎกยังจําพระไตรปิฎกกันไม่ได้และท่านเหล่านั้นน่ะยังไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือท่านยังไม่ได้เจริญวิปัสนาสมควรแก่โลกุตระธรรมหรืออริยธรรมนั่งหลายท่านเหล่านั้นยังไม่ปฏิบัติชอบหรือยังไม่ได้ประพฤติตามธรรม หมายความว่ายังไม่เข้าถึงคุณธรรมชั้นสูงและยังไม่ได้เรียนกับอาจารย์มาเป็นอย่างดีขณะเดียวกันเมื่อเรียนแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะบอกแสดงบรรยัติแต่งตั้งเปิดเผยจำเนกทำให้ตื่นหรือแสดงธรรมตั้งแต่เบื้องต้นจนอริยมรรคเพราะหลักการแสดงเนี่ยต้องแสดงเบื้องต้นด้วยศีลท่ามกลางสมถาวิปัสนาอันนปลายที่สุดคืออริยมรรคถ้ายังแสดงธรรมมีปาฏิหาริเช่นนี้ไม่ได้หรือ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 ทุกท่านในก็เป็นผู้แกล้งกล้าเป็นผู้สูตรทรงธรรมปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบปรับพฤติตามธรรมเรียนกับอาจารย์ของตนแล้วก็บอกแสดงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจําแนกธําให้ตื้นแสดงธรรมมีปฏิหารคมกีประประวัติที่เกิดขึ้นโดยสหธรรมอย่างเรียบร้อยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคเจ้าวจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานในบัดนี้เถิดบัดนี้ เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนะบอกว่าพระองค์บอกไว้ตอนนั้นว่าภิกษุต้องเก่งมั้งนั้นเธอจึงจะปรินิพานบัด น, นี้ก็เก่งอย่างที่พระองค์ต้องการแลร้วพ้ะได้เวลาปรินิพ า, น ก, านก็ก็เหมือนกับว่าอะไรอะไรนะเหมือนว่าลงจากบันลังซะลงซะอะไรเงี้ยถอนตัวซะถอนตัวซะอะไรพวกพวกฝ่ายค้านกับค้า น, านทั้งปีทั้งชาตินั่นแหละ ันสรุปว่าเหตุผลใดก็ช่างละท่านสมควรตายเหมนกันไอพ้อพวกที่ประเภทสายทหารนี่ทห า, ซารซะทหารซะด้วยเหตุนี้ก็จงทหารชันใดก็ดีในทางเน่ก็เหมือนกันมารก็เหมือนกันมารเนี่ยเขาไม่สบายใจเลยที่มีคนต้องบรรลุที่คนจะตรัสรูม้มรรคผลเขาไม่ชอบอาบางคนก็บอกเอ๊ะมันเป็นไปได้หรือด้วยหรือที่จะมีคนริสยา มีริษยาแบบนี้ด้วยหรือบอกนี้ปกติเยาว่าบรรลุมรคผลเลยคนให้ทานมากคนที่ไม่ให้ทานก็ริษยาคนที่รักษาศีลเนี่ยนะคนไม่รักษาศีลก็ไม่ชอบมันไส้คนที่เจริญสมถาวิปั ส, สนาเจริญงอกงามคนที่ไม่ได้เจริญก็ไม่ชอบนะคนที่บริบูรณ์ด้วยสุขทั้งหลายไอ้คนที่ขาดแคลนสิ่งนี้ก็ไม่ชอบคนที่บรรลุมรคผลปุถุชนก็ไม่ชอบมันก็มีหลายกลุ่มที่ไม่ชอบพวกนักต่อต้าน พันวิธีการที่จะแก้ได้ก็นเนี่ยทําลายพระพุทธเจ้าสระอราันาให้พระองค์ดับขันธปริเนนี้ผ่านเธอได้เวลาแล้วนนเนี่ยนะแก้ได้ว่าทําเป็นเหมือนผู้ดีใช่ไหยแต่มารผู้มีบาปผู้มีริษยาอยู่ภายในแก้ไดว่ามารผู้มีใจริษยาอยู่ภายในไม่ต้องการให้ผู้อื่นพ้นจากวิสัยของตนคือหมายความว่าถ้าคนอื่นยังอยู่ในวิสัยของตนใช้งานง่าย ใช้ให้ไปขาบไปทําตานาติบาตก็ได้ใช้ให้ไปทําอาทินนาทานใช้ให้ไปทําชั่วยอย่างไงก็ได้แต่ถ้าเกิดพวกเขาเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไปแล้วตัวเองก็ไม่มีอนุภาพไม่มีอํานาจอะไรเนี่ยนะแค่เรียกว่าล่วงพ้นวิสัยของตนมันก็เรียกว่าพ้นจากบ่วงของมารเมื่อพ้นจากบ่วงของมารก็เรียกว่าไม่อยู่ในวิสัยมารเมื่อไม่อยู่ในวิสัยมารมานก็เลยเดือดร้อนแค่เรียกว่า ปาปีมาเกเมานเนี่ยมารผู้ทําลายสัตว์มารผู้ฆ่าสัตว์ทาสัตว์ให้ถึงความพินาศมารเนี่ยประกอบด้วยทมฝ่ายดำที่สำคัญรายละเอียดเพิ่มเติมบอกว่าถ้าหากว่าพระพิสุทั้งหลายวินัยตาฉลาดโดยมัดเนี่ยนะ หรือว่าผู้สูตรตาชื่อว่าเป็นพหูสูตรเพราะมีสูตรมากพระพิสูจ์ต้องทรงพระไตรปิฎกธรรมธระก็คือทรงธรรมคือพระไตรปิฎกนั่นแหลเป็นพหูสูตรโดยปริยัติและเป็นพหูสูตรโดยปฏิเวทเนี่ยนะหูสูตรเรียกว่าทรงธรรมทรงธรรมก็ทรงปริยัตและก็ทรงปฏิเวทนะนะปริยัตก็คือทรงจําพระไตรปิฎกนะเป็นพหูสูตรก็คือบรรลุมรผลแทงตลอดโลกุตระธรรม และท่านเหล่านั้นปฏิบัติธรรมสมควรแก่โลกุตตรธรรมหรือเจริญวิปัสนาสมควรแก่อริยธรรมปฏิบัติธรรมอันเหมาะปฏิบัติธรรมอันสมควรเนี่ยนะฉลาดในคําสอนของอาจารย์แล้วก็แสดงธรรมสามารถแสดงธรรมให้สัตว์นั้นพ้นจากทุกข์สามารถแสดงธรรมให้สัตว์นั้นบรรลุมรรคผลนิพพานสามารถที่จะประกาศศาสนพรหมจรรย์อันสงเคราะห์ด้วย ศิษาสาแล้วก็พระศาสนาคือคำสอนแพร่หลายไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ถ้าเป็นไปตามนี้พระองค์ก็ปรินิพานมารก็เลยอาศัยคำนี้ที่พระองค์ตัดบอกได้เวลาสมควรแล้วเนี่ยนะนะทีนี้มารก็อันนี้อ้างพุทธบริษัทที่หนึ่งคือภิกษุทีนี้ก็อ้างบริษัทที่สองอีกว่าก็แลเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเมื่อสัปดาห์ที่8ด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 แต่งตั้งเปิดเผยจำแนกกระทำให้เตือนภิกษุณีเหล่านั้นก็สา ม, มารถที่จะแสดงธรรมมีปาฏิหารนำออกจากทุกขมขีบป ร, ปรับปว่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมเรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนนเหตุผลดังที่กล่าวมานี้ก็บอกขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงปรินิพานขอพระสุคตจงปรินิพานณการบัดนี้เถิดบัดนี้เป็นเวลาปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว มานี่ไม่ไว้เลยนะนะนะมานี่ไม่ไว้เลยนะนะน่าสงสารพวกเราเหมือนกันนะทามาไม่อาราธนาอาจจะได้ฟังธรรมก็ได้อย่างนั้น